บรรฮิริโอตปะเนี่ยจึงเป็นอาหารเป็นเหตุใกล้ที่ทําให้เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาต่อไปเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ที่จะทําให้เจริญด้วยอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีหิริโอตปะขนาดนี้พระองค์จะสอนหิริโอตปะได้อย่างไรคนที่ไม่มีหิริไม่สา ม, มารถสอนให้ผู้อื่นมีหิริโอตปะได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีศีล พระองค์สอนเรื่องศีลคนอื่นไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่มีอินทรีสังวรแล้วพระองค์จะสอนอินทรีสังวรแก่คนอื่นได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่มีโพชเนมตันยุตามีชาคิยานุโยกพระองค์จะสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเปรียบเหมือนคนที่ตกอยู่ในโคลนตมแล้วจะจุดคนอื่นขึ้นได้อย่างไร พระองค์เนี่ยพ้แล้วพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นผลด้วยพระองค์ข้ามแล้วพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นข้ามตามด้วยเนี่ยนะนั้นพระองค์มีคุณธรรมที่นําออกจากพวกเหล่านี้พระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นเป็นอย่างนี้นั้นศีลพระองค์มีหิริโอตปะเป็นต้นพระองค์มีพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีหิริโอตปะเพราะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโอตปะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอตปะ อโอต ป, ปะขอพไะฮิริเนี่ยถือว่ามีตนเป็นใหญ่โอต ป, ปะถือว่ามีโลกเป็นใหญ่ยกตัวอย่างเช่นบอกว่ า, าฮิริเนี่ยนะถามว่ามีตนเป็นใหญ่เป็นอย่างไรบอกว่ากุลบดบางคนในโลกนี้ทําตนให้เป็นใหญ่ให้เป็นหัวหน้าแล้วไม่กระทํากรรมชั่วด้วยเห็นว่าผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้กล่าวสอนผุ้ดงเช่นท่านไม่ควรทํากรรมชั่วอันนี้ มีศรัทธาแบบเราเนี่ยทาชั่วอย่างนี้ได้ยังไงมีการศึกษาเรียนคําสอนมาขนาดนี้อย่างเราจะทําบาปอย่างนี้ได้ยังไงนะทูตรักษาทูตดงแล้วก็แนะนําให้คนอื่นรักษาทุดงด้วยขนาดนี้จะทําความชั่วเหล่านี้ได้ยังไงจะพูดชั่วอย่างนี้ได้ยังไงจะคี้ชั่วอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นต้นแล้วก็เตือนตนสอนตนวันคนที่มีหฮริถือตนเป็นใหญ่อย่างนี้ ดังที่พระองค์ตรัสว่าโสอัตตานังยีวะอธิปติงกตวะอกุสลังปะชะหะติกุสลังภาเวติสาวัชร์ปชะหะติอนะวัชังภาเวติสัทธัมะมะตาณังปริหารติแปลว่ากุลบุตรผู้มีตนเป็นใหญ่คือคนที่มีฤๅษีเนี่ยนะคนที่มีหๅษีคือมีตนเป็นใหญ่เนี่ยจะละอากุศลเนี่ยนะจะละด้วย แต่ทางค้าประหารวิขำธนปนะหารสมุทรเชทประหารปฏิปัสสัตทธิประหารเขาจักเจริญกุศลเนี่ยนะเจริญเป็นสมถภ า, าวนาเจริญเป็นวิปัสนาภาวนาเจริญจากปริตตะเป็นมหักตะเจริญจากปริตะมหักตะเป็นอัปปามานะเจริญบ่อยต่อเนื่องเนี่ยนะเนะข า, าจาักละสิ่งที่มีโทษละสิ่งที่มีโทษในปัจจุบันและต่อต่อไปเข า, าจะเจริญในสิ่งที่ไม่มีโทษในปัจจุบันและ ต่อต่อไปบริหารตนให้บริสุทธิ์เนี่ยนะรักษาตนให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดและผ่องใสปราศจากความปราศจากทุลีคือราคะโทสะและโมหะเพราะ<ม>คนที่รักเอ่อถือตนเป็นใหญ่เรียกว่าอัตาตาธิปไตยเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้พวกที่ถือตนเป็นใหญ่เนี่ยไม่ใช่แหมเอาแต่อัตตาคือกิเลสอกุศลไม่ใช่แต่หมายถือเอาความถูกต้องเป็นหลัก เพราะตนเป็นคนที่เคารพความยุติธรรมเนี่ยนะบุคคลบางคนเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยเนี่ยเขาจะมีวิจารณญาณเพียงพอเขามีวิจารณญาณเพียงพอเขามีความรับผิดชอบเพียงพอมีสามัญยะสำนึกที่สูงส่งบุคคลผู้มีสามัญยะสำนึกที่สูงส่งแบบนี้นี่แหละเขาไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้หรอกเนี่ยนะนี่ถามว่าโอตปะโอตปะชื่อว่าถือเอาโลกเป็นใหญ่ ผู้ที่มีโอตปะนั้นถือเอาโลกเป็นใหญ่ถามว่าเป็นอย่างไรตอบว่ากุลบุตรบางคนในโลกนี้เนึกถึงโลกเป็นใหญ่คำว่าโลกถือโลกเป็นใหญ่ถือโลกเป็นเจริญแปลว่าแคร์ต่อสังคมพวกนี้เป็นคนที่แคร์ต่อสังคมกลัวเขาว่าเขาตัวนี้ไม่ใช่เอาคนพาณว่าน่ยนะพวกนี้ไม่ทำความชั่วเพราะกลัวเขาว่าเขาที่ว่าคือใคร บอกว่าโลกสันนิวาตคือหมู่สัตว์นี้ใหญ่นักแร่เนี่ยนะสัพพสัตทั้งหลายเนี่ยน้อยหรือมากอ่ะสัรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยสัตว์มีตัวสองตัวหรือว่ามีแค่คนสองคนเท่านั้นหรือบอกไม่โลกสันนิวาสนี้ใหญ่มากเนี่ยนะในเมื่อโลกสันนิวาตคือหมู่สัตว์ที่เยอะใหญ่ขนาดเนี่ยจะต้องมีส ม, มณพราห ม, ม, มณ์สมณพราหมณหรือเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธ มีทิ่ประจักษสุและรู้วาระจิตของผู้อื่นเนี่ยมีอยู่ท่านเหล่านั้นท่านเห็นแต่ไกลนะก็เหมือนกับสมัยใหม่ใช่หอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะใช้ภาพเนี่ยส่งถึงกันได้อยู่แล้วอย่างเสียงก็เหมือนกันเนี่ยนะผู้ที่ไหนเนี่ยนะสังเกตดูอ่ะเป็นร้อยกิโลหลายๆกืร้อยกิโลเนี่ยส่งคลื่นไปยังได้ยินเลยเราพูดตรงนี้ยังได้ยินไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยนะถ้ามีเครื่องรับสัญญาณบุคคลที่เขามีตาทิพย์ก็เหมือนกัน เขาอยู่ไกลขนาดไหนเขาประสงค์จะเห็นสิ่งใดก็ได้เห็นสิ่งนั้นเขาประสงค์จะฟังสิ่งใดก็ได้ฟังสิ่งนั้นเนี่ยนะถ้าคนที่เขามีตาที่กําลังมองดูเราอยู่เนี่ยเราจะทําทําหน้ายังไงว่า ง, างั้นเนี่ยพอใจไม่มีความสึกไหมสดชื่นไหมว่างั้นนะ่ะนะหรือถ้าหากว่าคนที่เขาเขามีหูทิพย์เขากําลังฟังเราอยู่เนี่ยนะเขาเขาจะคิดว่าอย่างไรเขาจะอนุโมทนาในถ้อยคําที่เราพูดไหม แล้วถ้าคนที่รู้วาระจิตของผู้อื่นเขาเห็นความคิดของเราเนี่ยนะเขาเห็นความคิดของเราเขารู้จักความคิดของเราเป็นอย่างดีเนี่ยเขาจะปราลบอย่างไรกับความคิดของเราเนี่ยนะเขาจะคิดยังไงกับความคิดของเราเขาจะวิจารณ์ความคิดของเราว่าอย่างไรเขาจะติเตียนหรือว่าเขาจะ เช่นชมเนี่ยนะมันพวกนี้ก็ถือว่าเกรงใจเนะีอย่างสมัยพุทธกาลด้วยแล้วเนี่ยนะพระพิสุทั้งหลายที่ไปเจริญกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามหรือจะนั่งอยู่ณจุดใดก็ตามจะต้องปูอาสนะไว้ที่หนึ่งก่อนถามว่าอาสนะนั้นปูไว้ทําไมบอกว่าปูไว้ถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อพระองค์สอนรำรแนะนําธรรมะใครไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ติดตามเนี่ยนะ ติดตามว่ากุลบดเหล่านั้นพระพิสุรูปนั้นเนี่ยนะเมื่อเรียนกรรมฐานในพุทธสำนักแล้วเขาไปคิดอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเห็นว่าพระพิสุรูปนั้นเป็นต้นเนี่ยนะกำลังเกลือกล้วอยู่ด้วยกามวิตกกำลังเกลือกล้วอยู่ด้วยพยาบาทวิตกกำลังเกลือกล้วอยู่ด้วยวิหิงสาวิตกกุศลวิตกทั้งหลายที่เจริญแล้วย่อมยัง เป็นมิจฉาสังกปะใช่มิจฉาสังกปะเหล่านี้เมื่อเจริญแล้วมิจฉาวาจาก็ตามมาเพราะคนคิดอะไรมากก็พูดอันนั้นแหละมากเนี่ยนะนะคำที่เขาพูดมันประกาศถึงว่าจิตใจของเขาเนี่ยโดยมากคนจะพูดตามสิ่งที่ตัวเองกลาลังคิดอยู่ซะส่วนใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่เขาคิดแบบนี้จะนํามาซึ่งคําพูดแบบไหนนํามาซึ่งพฤติกรรมเหล่าใดและทัศนคติคือทิฐิของเขาต่อไปนั้นเป็นอย่างไร นั่นพระองค์ก็รู้ว่าเออเนี่ยเดินผิดท่าเดินผิดทางแล้วล่ะอกุศลมิตกอันนี้เป็นมิจฉาสังกปะมิจฉาสังกปะนำมาซึ่งมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะสภาพแบบนี้อยู่ในภาวะแห่งมิจฉาวายามะสติหลงลืมเป็นมิจฉาสติใจจิตใจเลื่อนลอยเป็นมิจฉาสมาธิเมื่อมิจฉาสมาธิเกิดเท่าใดมิจฉาทิฏฐิวิจารณะอย่างก็ วิบัติขึ้นเท่านั้นนะแกเรียกว่าวิจารณญาณวิบัติสติปัญญาทั้งหลายก็วิบัติแยกแยะทางผิดทางถูกก็ไม่ถูกแล้วพวกนี้ก็เหมือนกับผูกตาให้เดินทางเลยนะแกเรียกว่าทางแกเรียกว่าป้ายก็ไม่มีบอกอยู่แล้วแล้ ว, ล ว, ลวก็ปิดตาให้เดินอีกมันก็เลยไปกลายเป็นคนข่าวที่ปิดตาเดินทางฉันใดหมูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นภายใน วัตตะก็เหมือนกันมีอวิชาเป็นเครื่องกลางก้นมีตาหนาเป็นโซร้อยรัดเนี่ยนะผูกมัดให้ไหลไปเดินไปเนี่ยนะเป็นไปในวัตตะคือพบน้อยพบใหญ่อันพระองค์ก็จะเสด็จมาปรากฏเฉพาะหน้าเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนะก็ถามเลยอย่างเช่นพระองค์เนี่ยประตรัดกับพระอะไรโซนะเนี่ยนะโซนะโกริวิสาเนี่ยนะ พระสโสนโกลิวิสาเนี่ยเป็นพระที่ เ, เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยมากเลยนะตระกูลร่ํารวยมากแล้วท่านเป็นคนสุขุมารชาติมีความสุขสบายสบายขนาดไหนบอกสบายขนาดว่าขนงอกที่ฝาา่าเท้าอ่ะเห็นไหมคิดว่าขนาดนั้นเลยเนี่ยนะไม่เคยลําบากอะไรเลยคิว่าฝาา่าเท้าบอกะแล้วงานหลักของท่านอนะ่ะบอกว่าดีดอนนะไรนเล่นอะไรนะเล่นพินนะนะเป็นดีดพินเนี่ยนะเพราะมากเลยเนี่ยนะ ก็บอกว่าที่ให้ดีดพินเนี่ยไม่ให้เรียนอย่าง อ, างอื่นเพราะกลัวลูกจะลำบากแล้วก็ในที่สุดเนี่ยท่านก็ฟังธรรมเมื่อท่านฟังธรรมท่านก็ออกบวชทีนี้ออกบวชเนี่ยท่านเดินจงกรมเนี่ยนะท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกพอเดินเท้าแตกเลือดอาบท่านก็ขานนะนะ่ะใช้เข่าเนี่ยเดินเดินไปเลือดมันก็ อ, อาบอีก แล้วท่านก็ทำอยู่อย่างนั้นตั้งนานแล้วก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลท่านก็มาคิดว่าเออเราเนี่ยบุญน้อยเรานี่วัสนะน้อยเราคงไม่ได้บรรลุมรรคผลหรอกเออทรัพย์ของเราก็พอมีตระกูลของเราก็ตระกูลใหญ่เพราะฉะนั้นศึกษาลาเพเศไปครองเรือนก็ได้อะแล้วก็ทำบุญไปพระพุทธเจ้าก็แวบมาเดินผ่านมาแถวนั้นพอดีอนะก็บอกโอ้นี่ที่เดินจงกรมใครนาเลือดท่วมเนี่ยนะ ทางเดินของพระโสนะพระเจ้าค่ะโป่งก็ประทับนั่งโสนะเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมก็เล่าให้ฟังที่คิดทั้งหมดบอกว่าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าเนี่ยเธอปรารบความเพียรเกินไปวิริยินรีที่แก่กล้าเกินไปทำให้ขาดสมาธิสีี น, นะแล้วก็ สัตถินรีที่มากเกินไปก็ทําให้ขาดปัญญินรีปัญญินทรีย์ที่เกินไปก็ทําให้ขาดสัตถินรีเพราะฉะนั้นเธอพึงรู้ความสมํ่าเสมอของศรัท ธ, ธาและปัญญารู้ความสมํ่าเสมอของวิริยะกับสมาธิสเติเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นตัวจําแนกเป็นตัวไข้ครวนเนี่ยนะแล้วก็จงมณสิกานิมิตโดยกาลละอันสมควรเนี่ยนะซึ่งพระโสณาฟังแล้วก็เข้าใจ และทั้งพระพุทธเจ้าก็อันตรธานจากตรงนั้นไปอยู่ที่เขาคิชกูตแล้วพระโสนก็ปรารบคำสอนที่พระองค์แนะนำไม่นานนาก็สำเร็จเป็นพระอรหรนันต์นะทําที่สุดแห่งทุกรูปหนึ่งนั้นพระองค์เนี่ยถื อ, อผู้ที่ มีโอตับะเป็นเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยจะคํานึงเสมอว่าเอะถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วพระองค์แวบขึ้นมาปรากฏเฉพาะหน้าจะว่าไงเนี่ยนะเออถ้าเทวดาเขามาชี้หน้าว่าเราจะมาเทวดาจะมาอนุโมทนาหรือจะมาชี้หน้าว่าเนี่ยนะก็สังเกตดูพู้คนที่มีโอตับปปะเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เกรงใจคิดง่ายๆเรืองบางหนึ่งอ่าถ้ามีฮิริเกรงใจตัวเองถ้ามีโอตับะเกรงใจพี่บ้างไหมเกรงใจน้องบ้างไหมเกรงใจพ่อแม่บ้างไหมที่ทําเนี่ย เกรงใจครูวาอาจารย์บ้างไหมเกรงใจสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายเกรงใจผู้มีศีลมีธรรมเกรงใจลุงป้าน้าอาเกรงใจเทวดาเป็นต้นไหมหรือในที่สุดเกรงใจพระพุทธเจ้าไหมถ้ารู้จักเกรงใจอันนี้แหละเรียกว่ามีโอตับปะอนะเกรงใจตัวเองมีหิริเกรงใจบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เกรงใจมิดชัวนะไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่เรียกว่าเกรงใจหรอกอันนั้นนั่นเกินไปแต่พว่ที่เกรงใจก็คือรู้จักเกรงใจคนที่เชื่อถือได้ คนที่เป็นมาตรฐานเรียกว่ามีหิริและโอตตะ ป, ปะอันผู้ที่มีโอตตะ ป, ปะอย่างนี้เนี่ยนะก็จะบริหารตนให้เป็นสุขเนี่ยนะบริหารตนเพื่อที่จะละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเจริญกุศลธรรมทั้งหลายกําจัดสิ่งที่มีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปเพราะสมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตะ ป, ปะเนี่ยนะ ท่านบอกว่าฮิริเนี่ยนะฮิริเนี่ยที่ไม่ทําชั่วมีความคิดว่าเหมือนกับคนนี่มองเห็นเหล็กเก้อนเหล็กอยู่ก้อนหนึ่งก้อนเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งเย็นไม่ร้อนอะไรแต่ว่าเป็นก้อนเหล็กที่แช่คูดว่าเปื้อนอุจจาระเนี่ยนะเป็นก้อนเหล็กที่วางกองอยู่ในกองคูดอ่ะก้อนหนึ่งก้อนเหล็กอีกก้อนหนึ่งกําลังลุกโชนแดงเลยเนี่ยนะ วินยูชนไม่จับ ก, ก้อนเหล็กก้อนเย็นนะเพราะอะไรรังเกียจคูดรังเกียดอุจจระเนี่ยนะหรือก็เหมือนกับว่าอะไรนะก้อนเหล็กท่อนเหล็กเนะี่ยมันตกอยู่ในหลุมสู้มาไม่ไม่ล้วงเอาไปจับเพราะมันหลุมที่สกปรอกอีกก้อนหนึ่งไฟกำลังล้อลูกชนไม่จับเพราะร้อนหิริก็เหมือนกับว่าถึงจะเย็นนะิริก็เหมือนกับว่าแหมอยู่กระจายนะมันมันมันสกปรกเหลือเกินที่จะ ไปจับที่จะไปเปื้อนบาปเหล่านั้นโอตาปะก็บอกมันร้อนเกินไปที่จะไปจับสิ่งนั้นฮิริก็เปรียบเหมือนกับเห็นที่จะคิดว่าตัวเองจะทำบาปก็เหมือนกับเห็นเหล็กเย็นแช่ในกองคูดหรือว่าก้อนเหล็กร้อนที่กำลังร้อนระอุฉนั้นมันวินยูชนเนี่ยนะเกลียดก้อนที่เย็นเพราะเปื้อนคูดไม่จับอีกก้อนหนึ่งก็กลัวร้อนฉันใดบันดิตทั้งหลายไม่ทําความชั่วเพราะความละอาย เนี่ยนะละอายใจที่ตัวเองจะทำเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนแน่ในอนาคตแล้วก็กลัวอบายเนี่ยนะกลัวอบายเนื่องจากเกรงกลัวต่อความชั่วเหล่านี้ก็เลยตั้งหิริโอตตะเอาไว้ในภายในถามว่าหิริเนี่ยนะมีลักษณะยำเกรงโอตตะลักษณะเห็นภยัยเห็นโทษที่น่ากลัวเนี่ยเป็นอย่างไรอธิบายว่าบุคคลอย่างหิริละอายเนี่ยนะมีลักษณะยำเกรงให้เกิดขึ้น ด้วยบุคคลนั้นเป็นผู้เคารพโดยอาการสี่อย่างเคารพว่าตัวเองนี่ใหญ่โดยชาติใหญ่โดยเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนหรือใหญ่โดยเป็นผู้รับมรดกหรือใหญ่โดยการประพฤติพรมจรรย์